สักหกสิบปีก่อนที่จังหวัดอุทยัยมีชายคนหนึ่งนะแกมีอาชีพสำรรับจ้างนะวันวันหนึ่งก็อาชีบสำรรับจ้างนะตามตัวเมืองนะเงินทองก็ได้ไม่มากหรอกชีวิตก็ลาบากแกก็เลยอยากจะลองเสี่ยงโชคนะคือซื้อรัตตอรี่ไม่ถูกก็ซื้อใหม่ไม่อาจะถูกกินกี่ครั้งแกก็ ยังมีความหวังว่าจะถูกลอตเตอรี่นะมีความหวังว่าจะได้โชคได้ลาบแล้วก็หวังกระทังว่าจะร่ำรวยอยากถูกลอตเตอรี่ในวันที่หนึ่งแกก็เลยเพียนซื้อนะไม่ขาดสักงวดเลยแล้ววันนึงเนี่ยแกก็ถูกลอตเตอรี่จริงๆด้วยไม่ใช่แค่ถูกสองตัวสามตัวเลขท้ายนะ รถเตลลี่รางวัลที่หนึ่งเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาศจรรย์สำหรับเขามากเลยนะสมัยนะัยวว้นรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกเนี่ยก็ได้เงินห้าแสนบาทห้าแสนบาทนี่ก็เยอะนะเพราะสมัยก่อนนี่สมัยนั้นนี่ก็เดี๋ยวก๋าชาละสองบาทบางทีไม่ถึงสองบาทด้วยซ้ำํำรถเตลลี่ก็ะบหนึ่งก็สิบบาทเพอก็ได้เงินห้าแสนมาเนี่ยแกทาไงนะแกกระโดดโรถดได้มีความสุข นะเอาเงินที่ได้นี่เลี้ยงฉลองนะเรียกว่าทุกคืนเลยนะจะมีผู้คนมาสุมหัวกันที่บ้านแล้วลวก็เลี้ยงกินเหล้ากันเรียกว่าไม่ได้ขาดเลยสักคืนหรือแม้แต่วันเดียวไม่ได้แค่กินอย่างเดียวนะ เล่นด้วยนะเล่นไพ่เล่นการพนันแล้วก็ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยบางส่วนก็แจกนะแจกย่านมิแจกไม่อั้นเลยแล้วมีเงินจำนวนหนึ่งก็เอาไปลงทุนธุรกิจกิจการเดินรถโดยสารรถเมลเพราะก็ว่าแค่ปีเศษเท่านั้นเลยเงินห้าแสนนี่ก็หมด ขณะที่ธุรกิจรถเมยก็ขาดทุนก็เลยกลับมายากจนเหมือนเดิมต้องยังชีวิตโดยการถีบสามล้อรับจ้างเหมือนเดิมจากเดิมนะก่อนหน้านี้เป็นเศรษฐีนะแต่เป็นเศรษฐีได้แค่ปีเดียวก็กลับมาเป็นสาล้อรับจ้างเหมือนเดิมและที่ ยังทำอยู่เป็นประจำก็คือซื้อลัตเตอรี่ยังมีความหวังว่าจะได้โชคได้ลาภอีกแล้วบอกว่าไม่นานนะก็ถูกลัตเตอรี่อีกนะรางวัลที่หนึ่งนะโอ้มันหายากนะถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองครั้งเนี่ยจากสารอนะกลายเป็นเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่า ก็เป็นเศรษฐีได้ประเดี๋ยวประดาเพราะว่าหันกลับไปทำเหมือนเดิมใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยกินดื่มเที่ยวเล่นนะโดยว่ากินเล่ายังกินแบบเทน้ำเทท่าเลยไม่รู้จักอดอมนะเพราะในศุนเนี่ยไม่ไม่นานนะเงินก็หมดอีก กลับมายากจนเหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยถืบสารอรับจ้างนี่ไม่นานนะแกคงอับอายนะก็เลยย้ายไปจังหวัดอื่นไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่ว่าเรื่องราวของเขานี่มันก็กลายเป็น ตำนานนะที่เล่าขานกันเป็นที่มาของคำว่าสามล้อถูกหวยคำว่าสามล้อถูกหวยเนี่ยนะเป็นสำนวนที่พูดกันบ่อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ที่มาดิ่งคนสมัยนี้คนรุ่นใหม่สมัยนี้แล้วนี่นึกไม่ออกว่าสามล้อนี่เป็นยังไงนะสาม้อ สามล้อเทียบเลยนะนี่คือที่มาของคำว่าสามล้อถูกหวยซึ่งในแง่นึ่งก็เหมือนก็เป็นคำที่ก็แค่ประชดประชันคนที่ได้โชคได้ลาบแล้วก็ใช้โชคใช้ลาบไม่เป็นซึ่งก็เป็นเรื่องราวนะที่สำคัญนะของ สามรอคนเนี้ยปรารถนาจะได้โชคแล้วก็ได้โชคสมใจนะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะชงมหาศาลนี่ก็ได้อีกสองครั้งมันเป็สิ่งที่คล้ายๆก็ปรารถนานะแต่ว่าสามรอบคนนี้เนี่ยได้โชงมาแล้วใช้โชงไม่เป็นได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วใช้ไม่เป็น พลาญจนหมดในเวลาที่รวดเร็วคนเราเนี่ยถ้าหากว่าได้โชคแล้วใช้โชคม่เป็นนี่บางทีมันเกิดโทษนะสร้างความทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่มีโชคหรือยังไม่ได้โชคซะอีกนะเพราะพอใช้โชคม่เป็นแล้วเนี่ชีวิตมันตกต่ำย่าแย่กว่าเดิมเช่นเอาเงินมากินเหล้า สุขภาพก็ย่ำแย่แล้วก็กลายเป็นที่รังเกียดเป็นที่ขรหาของผู้คนคนก็ไม่นําหน้าถือตาบางลายนี่ก็ไม่ใช่แค่เงินหมดกลับมายากจนล้มป่วยนะอย่างล้มป่วยด้วยเหล่าที่กินแบบเม็บัญญาบรญยังหรือบางที ลูกหลานก็ทะเลาะ ก, กันค่าผัวก็ทะเลาะ ก, กันแตกแยกกันบางดีค่าก็ก็มีนะพอเรื่องเงินนี่แหละแบ่งเงินบางทีแบ่งเงินไม่ไม่เป็นธรรมบ้างพี่น้องก็เลยลู ก, กเลยโกรธแค้นเรื่องนี้มันยังสอนนะว่าคนเราเนี่ยอย่าปรารถนาเพียงแค่มีโชค อันนี้คือยอดปรารถนาผู้คนนะอยากจะได้โชคได้ลากแต่ก็อย่างที่บอกนะมีโชคมีลากแต่ใช้โชคไม่เป็นนี่มันก็เสียหายและจะใช้โชคเป็นเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรบ้างต้องมีสติมีปัญญามีความยั่งยืนช่างใจมีโชคอย่างเดียวได้โชคอย่างเดียวนี่ไปไม่รอดนะโชคนี่มันอาจจะกลายเป็นทุกขลาภ ก, ก็ได้ สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือการมีสติมีปัญญาเห็นโทษของเงินรู้จักแบ่งแบ่งทรัพย์ให้ถูกต้องหเหมาะสมอย่างที่พระเจ้าตรัสนะว่าเนี่ยมีทรัพย์เนี่ยนะต้องรู้จักแบ่งนะอ์ก็ให้หลักเอาไว้หนึ่งในสเนี่ยเก็บไว้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวมีความสุขทำประโยชน์ทำบุญทำกุศล ครึ่งหนึ่งเอาไว้ลงทุนประกอบการงานอย่างเช่นอ่ะจากเดิมฉีบสามรอบก็มาลงทุนซื้อรถเป็นรถสองแถวหรือรถโดยสารอ่ะนี่เราลงทุนประกอบการงานที่จริงสามล่านี้ก็เอาเงินไปลงทุนนะแต่ว่าเงินที่จะไปลงทุนที่มันนิดเดียวเองลงทุนกิจการรถโดยสารรถเมล นี่เราอยากครึ่งหนึ่งเอาไปลงทุนประกอบกิจการงานแล้วอีกหนึ่งในสีเนี่ยเอาไว้เป็นทุนนะไว้เลี้ยงตัวในยามจาเป็นถ้าสําหรับคนนี้เนี่ยแกเก็บเงินเอาไวน้นะหนึ่งในสี่นะเอาไว้ใช้ในยามจาเป็นเนี่ยแสนกว่าเนี่ยถึงเวลาเงินหมดนี่ก็ยังมีเงินอีกแสนกว่านี่เอาไว้เลี้ยงตัวหรือเอาไว้ใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นได้แต่ว่าสามรอบนี่แกไม่มีเออ่ ความคิดในเรื่องนี้เลยอันนี้เราขาดปัญญาในที่สำคัญยันคือขาดสติด้วยนะพอได้เงินมาแล้วก็หลงเลยนะหลงเงินหลงทองเพลิดเพลินกับความสนุขสนานเงินก็หมดเนะี่ยเวลาใครเนี่ยบอกว่าขออยากได้โชคได้ลาบเนี่ยนะอันนี้มันไม่สำคัญเขาว่าขอให้มีสติมีปัญญาและรวมทั้งความรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักเก็บหอมรอมริบนะในเรื่องของสารอบที่มียช่อเห็นนะว่าคนเราเนี่ยไม่สรุปบทเรียนเลยไอตอนที่ถูกหวยถูกรักตตุรี์ครั้งแรกนี่นะแล้วก็จากเศรษฐีกลายเป็นยาจกเนี่ยนะมันน่าจะเป็นบทเรียนสอนใจนะว่า เ, เราผิดพลาดยังไงบ้างเราใช้ช่วยฟุ่มเฟือยเราใช้เงินไม่เป็น ถ้ารู้จักสรุปบทเรียนนะเมื่อถูกลอตเตอรี่ครั้งที่สองเนี่ยมันจะไม่ลงเ อ, อยกลับไปเหมือนเก่าคนที่รู้จักสรุปบทเรียนได้นี่เขาจะไม่ทําผิดพลาดซ้ำ ส, สองอ่าถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกเนี่ยพลาดนะแต่ว่าธรรมชาตินี่หรือว่าชะตากรรมนี่ยังให้โอกาสแก้ตัวนะถูกลอตเตอรี่ครั้งที่สองซึ่งหายยากมากนะแต่ว่า สามเราคนนี้แกไม่สรุปบทเรียนเลยก็เลยกลับทำผิดพลาดซ้ำสองอันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะสำหรับคนทุกคนเลยหลายคนอาจจะไม่ได้ซื้อรัตเตอรี่อาจจะไม่ได้หวังถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่หลายคนเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ปรารถนาจะมีโชคนะแล้วพอมีโชคแล้วเนี่ยหรือว่าได้สิ่งดีๆแล้วเนี่ยไม่รู้จักสรุปบทเรียน ก็เลยทำผิดพลาดอีกอันนี้มันเป็นบทเรียนที่สําคัญเลยนะว่ามนุษย์เราเนี่ยแม้จะผิดพลาดแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยที่จะเอาความผิดเป็นครูถ้าเรารู้จักเอาความผิดเป็นครูนะมันจะไม่ผิดพลาดซ้ำสองแต่สุดท้ายก็ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจะไม่ใช่อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องถูกลอตเตอรี่ แต่จะเกี่ยวกับเรื่องอื่นนั่นถ้าเราเอาบทเรียนของสามเรานี่เป็นครูนะเออมันก็ทําให้ได้ข้อคิดมากทีเดียวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภการใช้โชคใช้สลาภเหื่เป็นหรือว่าการรู้จักสรุปบทเรียนเอาความผิดพลาดเป็นครู